กจะแตกก็หมูก่กับเพื่อนมันจะดุดอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่ลังไลก็มามาเหยียบมาย่ำทำาไนนมันมาส่งเสริมอะไรนี่เคยทำมาทุกอย่างในบรรดาที่นำมาสอนหมู่เพื่อนและหมู่เพื่อนทาอยู่ทุกวันนี้ผมเคยทำมาแล้วทันนั้นเคยอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มา ท่านบอกวท่านเลุมเราไปดูท่านไม่เคยเห็นที่ไหนเราก็ยึดหลักนั้นมาเพปฏิบัติเ ต, เต็มที่ความแรงความสามารถของตนเพรนั้นหมู่เพื่อนกับมาเกาะลุมเข้ามาเรื่อยตั้งแต่ท่านมาหน้าภาพจากไปโน่นเขาในป่าในเขาอย่างนี้นก็ลุมไปตามสุดท้ายกัพันกันตรงกันอย่างที่เห็นนี่ เราไม่ใช่เป็นคนนิสัยวาสนากว้างขวางวาใหญ่โตภูมิฐานอะไรเพรว่าเราเป็นคนอาภัพวาสนาก็ยอมรับทันทีเพราะนิสัยเราไม่ได้ชอบเรื่องพลวงพลังไปไหนแต่ไปตามนิสัยวาสน า, า, าอาภัพเรื่องของไม่เกี่ยวกรอหมูกระเพื่อนนอกจากครูอาจารย์เท่านั้นพอท่านดวงไปแล้วก่อ เขาป่าเขาเขาเลยโมกเพื่อนก็ลุมต่างขโมยหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นขโมยนี้จะหมูจากเพื่อนเพราะเราอยู่ลําพังองเดียวมันสะดวกสบายไม่ยุ่งอะไรกับอะไรอยากกินก็ได้ไม่อยากกินก็ได้หนึ่สุดท้ายมันหมดได้มันไปหมดกินไหนก็หลั่งไหลมาตัวเสมอสอนเสมอ การที่จะเกิดผลดีขึ้นมามันก็ยิ่งเ <P ew> er> พิ่มความไม่ดีขึ้นเรื่อยๆให้เห็นอยู่ตําเห็นตําตาอยู่เรื่อยเหมือนก็ไม่ได้มาศึกษาทาั้งๆที่ศึกษาแล้วก็สั่งสอนกันแล้วมันยังเป็นไปอยู่ต่อหน้าต่อตาจะทำยังไงโอ้โหาหารผมก็โอรธแล้ว ว่า อ, อะไรน้ำอ้อยน้ำตาลแม้แต่น้ำร้อนอยุเฉยผมก็ไม่ได้ฉันอยู่อย่างนั้นแล้วไม่เคยมาเกี่ยวกับน้ำร้อนน้ำชาอะไรเลยจะมาแต่น้ำตาลโกโก้กาแฟน้ำส้มน้ำหวานนี่เลยเพัาะตากลองก็ไม่มีด้วยไม่สนใจด้วยอันนี้มันเหลือเฟือในวัดนี้เพราะว่าเราอารมณ์จะตกจะแตกก็านา่าจะบอกแล้วมันก็ยิ่งลุกลามไปลุกลามไปลุกลามไปมันมาหาอยู่หากินกันมันไมไ่มาเพื่ออเพื่อทำ นี่ที่ตัวโอเราจะแตกแล้วจะอยู่กระหม่อมเพื่อนไม่ได้อดถ้ากลัวตายอดปฐมัยอดอาหารถ้าจะถันก็นมาฉันที่ควรเดี๋ยวนี้ยังมีองค์ไหนมั่งที่ขนไปเป็นครั้งน้ําอ้อยน้ําตาลโกโก้กาแฟเนยใสเนยนอูตามกุฏิเอมีกุฏิองค์ไหนองค์ไหนมั่งยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้ Huh? อย่ามาอยู่ให้หนักวัดนี่นะเราไมไ่สอนหมู่เพื่อนเพื อ, น, พ อ, น, พอ น, น้ำอ่อนน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานเนี่ยสอนเพื่อ re, หัดเพื่อทำจริงๆอย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาเหยียบย่ำทำลายอย่ามาเอาสิ่งเหล่านี้มาอวดนะสิ่งเหล่านี้มีเต็มไปยในแผ่นดินไม่เห็นเป็นของประเสริฐไม่ได้ถือว่าสนังกระชามีกับมันสักกี่อย่ามาอวดนะพุงอย่ามาอวดลิ้นอย่ามาอวดอย่ามาเหยียบย่ำทำลายทำ ผู้ยตนาวังดีมีอยู่ยาเอามาจีดมาขวางเมื่อไม่สมัครใจให้ไปยาให้ใได้ไล่กันนะนี่องคชาตแต่เรานกะหมู่เพื่อนมาอยู่ทําไมเรามัานมาสอนหมู่เพื่อนใส่น้ำอ่อยน้ำตาลนี่นะใส่เรื่องเปล่าเรื่องท้องนี่แล้วสอนชาสนาธทําต่างหากนี่ มาเองนี่นะใครไม่ได้เชื่อเชิญมาไม่บังคับบัญชามามาทำไมทำไมให้กี่ความหมากุ่เหยียบย่าทำลายครูวาอาจารย์นักการแนะนำสัสอนไม่มีคุณค่ายิ่งกว่าพุงกว่าปากกว่ท้องแล้วเวลานี้นะมันหน้าด้านไปแล้วนะได้พูดแล้วถ้าจะฉันก็นมาฉันที่ครัวนี่นะฉันเพอเยวยาเท่านั้น ถามว่าหิวยิ่งกว่านั่นก็มากินเพื่ที่กินข้าวไปไล่ไปขอข้าวก็มีอยู่แล้วนี่ถามันขวางทําไมมาอวดทำไมอวดที่เดียวจะหยาดอย่างนั้นนั่นเอะยิ่งยาบขึ้นไปยิ่งกว่าผู้ไม่อดจะอีกสั่งอะไรก็ตามเทนี่ใครจะสั่งอะไรถ้าเราไม่รู้ด้วยไม่ได้นะมันเก่งแล้วเดี๋ยวนี้มัน แวกแนวเก่งยิ่งกว่าครูพ เ, เวลามันได้ออกเหมือนผีตัวหนึงน่งมันจะเล่นเมื่ อ, อไหร่ัะเพือนหัวใจยู่ไม่หยุดเลยเพราะมันผิดกับเจตนาที่เราสั่งสอนหมู่เพื่อนใอความทุ่มเทลริงจริงแล้วเวลาผลมันตกออกมามันเป็นอย่างนี้เป็นเนี่เป็นเป็ด เ, เ, เ, เ, เป็นผีไปหมดท้องถลูเาาขาปากเท่ารูเข็มมันไม่มีอิ่มมีพอเลยให้คลายบ้างอะไรบ้าง กลไปไว้ที่กุตินะามาหาอะไรนีนะอย่าอยู่นะวัดนี้ไม่ประสงค์ท้งนั้นถ้าเป็นแบบที่ว่านี่อย่าเอามาอวดเราจะอยู่คนเดียวเรานีิตายก็ไม่าคามากุศลาแหละพูดตงกงๆอย่างนี้เราไม่ใช่อวดนะเราจะตายอย่างสบายเราเลยตามนิสัยของเราที่มันอาภัพ อูคนเดียวตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งอะไรทั้ง3าแดนโลกธาตุนี่การที่อยู่กับหมู่กับเพื่อนอยู่ด้วยกการถูการไถ้วยความเมตตาสงสารเราก็จะเป็นผู้เป็นคนเป็นพระเป็นเด็ยึดหลักเป็นหลักเป็นเกณฑ์แนะ น, นําสั่งสอนนุส่าสั่งสอนมากี่ปีแล้วนีสมสกว่าปีแล้วตั้งแต่เกี่ยวข้องกับหมู่กับคณะมันจะเริ่มตังแต่พ่อแม่ครูอาจารย์ แต่เมรณนะภาพไปมันลุมมาตั้งแต่นบัตรนั่นจนมาถึงตันนี้ยิ่งหนายิ่งด้านขึ้นทุกวันทุกวันทุกเวลาผลที่จะืพุงได้มันไม่ปรากฏนี่มีแต่เรื่องขีดเรื่องขวางนร่ทิ่มแทงหูตาใจตลอดเวลามันหวังเอาประโยชน์อะไรสั่งสอนเพื่อประโยชน์อะไรเมื่อไม่เกิดประโยชน์แล้วสอนไปทํำไมอยู่เฉยเฉยมันไม่สบายดีกว่านั่น ล, ล่ะหรือยังมีอีกไหมเนี่ยไล่ไหน พูดมาหลายครั้งแล้วนี่นะมันยังมีอยู่ไหนอยู่ไหมผ้าหน้าด้านพุงเท้าภูเขานี่มันยังมีอยู่ไหนเอามาอวดทำอยู่นี่นะต้องไม่กลัวตายที่ถึงจะทําสิ่งใดถ้าเห็นว่าชอบทําแล้วไม่กลัวตายกลัวตายอย่าทำจะให้มันขี่ขวางหมู่พื้นนี่จะสอนเนี่ย ขอในครัวนี่ก็เต็มมันอะไรมันจึงต้องแหวกแนวออกไปกุฏินู่นเอาไปนู่นไปนู่นอะไรก็สั่งเข้ามากลวยเข้ามารกลวยเข้ามาขโมยเข้ามาลักลอบเข้ามาเหมือนของหนีภาษีนี่เดียวเดียวพระเดียวเนี้เป็นอย่างนั้ น, น, นทำไมมันจึงหยาบโลนเข้าไปทุกวันทุวกวัน สอนไม่มีความเรียกเขาพัฒนายิ่งเพิ่มความอยากรู้นั่นเอมาอยู่ให้หนักวัดทําไมมีสอนหมดใส่หมดภูมิทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าปฏิปทาเครื่องดําเนินสอนหมดภุมิผลเกิดขึ้นมากน้อยเป็นไงทุ่มลงไปจนหมดไม่มีอะไรเหลือเพื่อมุ่พวกคณะในความเมตตาสงสารจริงๆ แล้วไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องโลกามิตรใดๆ ไ, ไม่มีมาเกี่ยวข้องในหัวใจเลยนอกจากเพื่อหอัวใจหมู่เพื่อนถ่ายเดียวเท่านั้นพุ่งยากลำบากขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นหาจากหัวใจแต่ที่ว่าครูวาจารย์ทั้งหลายก็กร่วงโยรยลงไปร่วงโยรยไปร่วงโรยไปแตวไม่มีที่ยึดที่ถือที่พอเป็นหลักเป็นเกณฑ์ผู้เกีตนาวังดีผู้ตั้งใจเป็นหลักเป็นธรรมมีอยู่ว็มุ่ง แล้นี่ไม่ทรากอะไรเป็นทําไม่เป็นธรรมมันเป็นมูลสดมูลแห่งไปหมดแหลกไปตามๆกันหมดนล้วผูมามาใหม่ก็ไม่รู้เรื่องก็ เ, เห็น ข, ขี้ก็เลยคลุกคล้ากันไปกับขี้นั้นไปเลยเพราะพวกนี้สร้างแต่ขี้เว้ขี้กองเต็มมัดเต็มมาไว้หมดหาที่เหยียบที่ยากไม่ได้พู้มาที่หลังก็ น, นึกว่าสถานที่นี่มันมีที่เหยียบที่ยางตั้งแต่ขี้เท่านั้นไม่มีอะไรก็เงียบไปตามๆกันันก็แหลกไปตา ม, ตา ม, ตามๆกันหมด ไม่มีอะไรเหลือสอนหมดทุกแง่ทุกมุมหลวงปูบาอาจารย์พ่าดำเนินมาอย่างไรคานต่อสู้กับพิเรศทุกประเภทต้องลำบากลบากลบนก็บอกแล้วเพื่ออดเพื่อทำต้องรื้อต้องถอนต้องฟาดต้องฟันเข้าไปหนักกับเบาก็ไม่ได้คำหนึง่งนี่ เพราะกิเลสมันหยาบมันหนามันทําความลําบากทรมานแก่เราปกติมันก็ทําความทรมานเวลาจะถากจะถางมันออกมันก็ทุกข์ก็ยากความลาบากเพราะเรื่องของกิเลสแต่เดียวท่านั้นเรื่องของธรรมไม่ได้มีอะไรลําบากทำเป็นธรรมอยู่แล้วไม่เคยก่อความลําบากรําคาญเป็นทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วไม่ว่าทําประเภทใดเรื่องที่รับความทุกข์ความยากความลาบากต้องฝึกฝนทรมานามาก็ฝึกทรมานต่อสู้กับกิเลสตัวยากๆนั่นเอง ก็สอนแล้วสิ่งเหล่านีนนมน้มันเป็นเรื่องค่ากิเลสหรือนอกจากมันเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีกํลาลังเหยียบหัวคนเหยียบหัวพาดลงไปสดๆร้อนๆจนหน้าด้านไปท่านัน้ไม่เห็นมีอะไรนี่มันจะกลายเป็นพาดหน้าด้านไปหมดทั้งวัดนานานีนะพวกท่านมาหวังประโยชน์อะไรหรือมากินมานอนนี้มาขี่นี่หรือ มันพิเศษด้วยเหลือของอะไ น, นี่เอามาอวดทําไมว่าเยียบยําทําลายทำทำไมเอามาอวดทําทําไมนีถ้าไม่เคยทําไม่เคยดําเนินมาก็ไม่ว่าแนละ้วเราไม่เราไม่เข้าใจเพราะเราไม่เคยดําเนินมาเห็นเป็นค่าเราก็เป็นมาก่อนแล้วนี่การปฏิบัติอย่างไรลําบากลําบนขนาดไหนหรือสะดวกยังไงก็เป็นมาแล้วได้เอาเรื่องที่เป็นมาแล้วทั้งนั้นมาสอนมือเป อดข้าวก็ได้พูดแล้วน้ำขนาดเขาแตกบ้านมาดูเพราะว่าตายแล้วเนี่ยถ้าไม่ตายไม่โมโหโตโสอยู่หรือไปดูสิหนึ่งน้ขนาดนั้นไม่ได้สนใจเพราะน้ําอ้อยน้าตาลมันก็ไม่มีแล้วตามปกติของมันน้ำส้มน้ำหวานโกโก้กาแฟอย่าไปถามเขาเลยแล้วก็ไม่สนใจด้วยแม้แต่น้ําร้อนน้ำชาก็ไม่แตกไม่เคยสนใจ อดอดจริงๆเอาจริงๆสู้จริงๆมันจะตายยิงก็ไปฉันมันได้ไงเวลา ป, ปฏิบัติเพื่อเพื่อเราจะแท้ ท, ทำไมจะไม่รู้เรื่องของเราจะเป็นหิือจะตายปฏิบัติได้อย่าเอาความสะ ด, ดวกความสบายอันเลือกของกิเลสมาเหยียบย่าทําลายวัดวาดวัดทูบ า, า, าจาร์ตลอดเพื่อนฝูงที่เจตนาวังดีมีอยู่มากอย่าเอาของหยาบๆโดนๆเข้นมาเหยียบย่ำทำลายย่ า, ามาอวดนะ นิสัยเคยชอบสะดวกสบายมันติดชั้นดานมา น, นิสัยนั้นมันเป็นอะไรมันเป็นธรรมหรือมันเป็นเ ย, ยเลศเวลานี้จะมาแก้อันนั้นมีได่เหลือทำไมจริงต้องม า, มาประกาศออกหน้าออกตาความวัดขวงวาขวางหมู่เพื่อนค ว, วามครั า, าจารยอยู่ได้โดยไม่สะทกสะทานเลยมันต้องพนนหรือพระแบบนี้ท่านจะลังความวิเศษวิโสจากอะไร ถ้าจากอันนี้มันเอากวามวิศวิโสอะไรให้เอามาอวดผมมั่งสิสั่งนั้นมาสั่งนี้มาสั่งนั้นมากินสั่งนี้มากินมันภาคกรรมฐ า, านยังไงนี่ที่ผมจะรดสังเวชนะเพราะผมไม่เคยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยทํามาแล้วก็ได้นําแบบฉบับครูบาอาจารย์ ตามหลักทํำในที่ไหนมาสอนด้วยนะทําไมเอานี่ย น, นี้มันมาจากไหนทําไมมาจากเรื่องของกิเลสเรื่องนิสัยสันดานคนหยาบช้าละมุกนามันนั้นมาบวด อ, อ, อ้อวนหมูอวดเพื่อนอวดครูอวดอาจารย์เหยียบย่าทำลายทำที่ไหนมันจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่อันเดียวนี้นี่ก็เคยได้พูดตอนนี้มันดั้งเดิมก็ไม่เคยฉันอะไรน้ําร้อนน้ำชาไม่ยุ่งทั้งนั้น จะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ก็เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วดำเนินมาก็ไม่เคยสนใจกับมันทีนี้ก็มาอยู่นี้ก่อนมากเขา้ามากเขา้ามากเขา้าสิ่งของก็มีไมมาๆของอนุรลมไปอานุลมมันเร็วอนุลมไปอนุอานุแห ล, ไลกไปแล้วเดี๋ยวนี่ยอนุนเร็วไปแล้วมันแซงแซงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วแซงเร็วที่สุดเลยเลียงร้อยตัวสู้ไม่ได้ ถ้าอันไหนที่จะเป็นความเสื่อมความเสียมันแซงเร็วที่สุดเลยถ้าไหนจะดีไม่ไม่ยอมไปมีสอนมากี่ปีกี่เดือนแล้วมาอยู่กับผมมีกี่ปีกี่เดือนแล้วแต่และองค์นี้มันปลอมที่ไหนหลับทํามหลับวิญญาณที่นำมาสอนนีมันถึงได้เอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแทนหลับทํามหลับวิญญาณที่สอน ให้อดหารให้คนนั้นอันนี้ไปส่งคนนี้ไปส่งมีไหมอยามาอดอวดวัดนี่นะถ้าเป็นอย่างนั้นยาอดให้เห็นให้คนนั้นเอาไปของนั้นไปส่งให้คนนี้เอาของนี้ไปส่งอืติดต่อคนนั้นติดต่อคนนี้ให้ซื้อนั้นมาให้ใหซื้อนี้มาให้ผมไม่เห็นคุณค่าของเงินยิ่งกว่าท่านทั้งหลายนะใครจะไปก็ไปที่จะโก้ไปก็โก้ไปสิมันมีเท่าไหร่มากน้อยที่เก็บไว้เพื่อ ความเป็นธรรมต่อมู่ต่อเพื่อนรับความสะดวกไม่ได้เก็บไว้เพื่อสังหารเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสังหารผมไม่ได้มาสนใจกับเงินกับทองเข้าของอะไรทั้งนั้นมีมากมีน้อยไม่เคยสนใจยิ่งกว่าพระเนืน้อเนีนที่ผมรับไว้การสั่งสอนทั่งสอนลงที่จุดจุนนี้สนใจที่จุด น, นี้ต่างหากผมไม่ได้เคยสนใจกับสิ่งเหลนั้นมันจะมีมากขนาดไหนไม่เคยสนใจกับมันเลยแตานําม า, ชาใช้การใช้ให้เกิดประโยชน์ให้เป็นให้เป็นธรรมยามา เป็นเครื่องสังหารยาเป็นยาพิษมาเผาขานพระนี่ที่ชอบความพุกเฟอเ้อเห่หมมันเล็บมันลอดมันแทกมันแชงมันขโมยไปอยู่ในตัวของมันนั่นแ่ะแบบพระแบบพระหน้าด้านมันมีพระในวัดนี้ เริ่มตั้งแต่ทรสมาธยผมได้เห็นความอยาบของพ้าที่สุดมันฝังใจไม่ได้ลืมเลยนะไม่ทราบเป็นไงเพราะมันฝังลึกมันจะลืมได้ไงเหมือนยักษ์เหมือนผีเหมือนกับถูกกักถูกกันเอาไว้พอเปิดช่องนิดมันแวกแนวก็นเอยเหมือนกำแพงจะแตกถนะ่านหน้าด้านฉัดนด้านหยาบ แล้มาทำให้หมู่เพื่อนที่ดีเสียไปด้วยเหยียบย่ำธนาเราด้วยปีนี้เี่ือถ้าพบข้อหมู่เพื้นมาก็มีปีนี้ที่ปีที่แสดงความอกจะแตกให้เห็นกับหมู่พื้นผมไม่เคยเห็นข้าหน้าด้านอย่างนี้ปกครามมานานเนาะเพิ่งมาเห็นนี่สันดานหยาบไม่จะ ไ, ไ, ไม่พอจักรจูก็หนีไปสิ ใครบางคัาเอาไว้เดี๋วนี้หนนี้ไปหมดนี่ก็ไปสิไม่ น, นิมนต์ใครมาเนี่ยอย่ามาเหยียบย่ําทําลายปฏิบาัตาิที่ครูบาอาจารย์พำนเอญมาอันนี้มันเป็นความเสียหายมากนี่ห น, นีไปเสียไม่เสียหายไปเสียหายแต่ตัวเองจะไปไหนก็ไปเถอะอย่ามาทำหมู่ําเพื่อนให้เสียหายบ้านวาว่าให้เสียหายเก่งก็ไปทําเรื่องเพลงก็เก่งๆนั้นสิไปวาดรวดลายสิ สามโลกเขาได้กราบรวดลายที่เกจนกล้าสามารถเจนกว่าครูกว่าอาจารย์อาได้เห็นมั่งสิถ้ามันเก่งจริงนะไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็เป็นอีกอย่าง น, นอันนี้มันรู้กันอยู่แล้วสอนกันมาตัเท่าไหร่แล้วถ้ามันไม่เป็นด้วยนิสัยสันดานหน้านด้านมันจะเป็นเพราะอะไรมันก็เห็นได้ชัดๆ ทำไมเคยดำเนินมาก็ไม่รู้รู้หมดดำเนินมาแล้วนี่ครับเพราะมนันเป็นอย่างนี้ถ้าจะต้องได้ออกจากวัดหมดจริงๆอือย่างน้อยตลงอน้ำออกน้ําตาลนี้ให้หยุดหมดเลยไม่มายุ่งเล ย, เยมาสร้างความหนักใจมาสร้างขวากสร้างน้งําไว้ทําไมเราไม่เอาขวากเอาน้ำซ้อนหมูซ้อนเพื่อนเราอาเอาทําสอนหมูซ้อนเพื่อน จะมาจะต้องเ อ, อาปากเอาหนามาทิ่มแทงหัว อ, อ, อกมาอยู่แบบหน้าด้านจะมาอยู่นะสถานที่นี้ไม่ไม่มีสถานที่สอนพระให้หน้าด้านนะใครจะไปก็ไปเลยมันยัดทนายกันอยู่ทำไมจะไปหมน่นีก็ไปสิาหายหลวงตาบัวนี่มันร้องห่มร้องให้หาหมัวเพื่อนดูสิ ทำมือเพื่อนหนีไปหมดแล้วมาอยู่แบบนี้เดีย๋ยวมาอยู่้มันหนักมากหนักว่านักหวัวใจภูเขาทั้งลูกไม่ได้ใบแบกมแม่แต่พระเนรในวันไม่ว่าลูกใดแบกทั้งนั้นเพราะความรับผิดชอบอยู่ เ, เราคนเดียวนีมันหนักอยู่ตรงนี้เันไม่หนักเพราภูเขาเนี่สยสัยสันดาหมันเคยมา นีเวลามันได้ออกมันก็ตะเลิดเปิดเปิมให้มีครูมีอาจารย์เลยถ้าเป็นสัตว์ก็มีเจ้าของอยาอดนอาหารถ้าหากเป็นอย่างนี้ยาอดเป็นาขันนะอยากให้เห็นนะถ้าอดอย่างที่ว่านี่ใครเอาอะไรไปให้อะไรไปให้นี่อยามาอดมันขวางตานะนี่เคยอดมาแล้ว อดเพื่อจะทรมานตัวเองไม่ได้หรอือทำไมจะมาอดเพื่อปลงปลือตัวเองสร้างความลําบากระบนทิ่มแทงหัวใจหมู่เพื่อนครูบาอาจารย์ทําไมนี่ก็เดเคยจะบอกแล้วว่าเลกทรมานนิลมผ่อนผันหมู่เพื่อนจนจะทั้ง อ, อง์จะแตกกอนหน้านี้นะเนี่ยได้พูดแล้วพูดแล้วพูดเล่าเนี่ยตั้งแต่ยังไม่มีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็ได้พูดอยู่แล้วเพราะอนุโลมเต็มที่จริงๆใช่เลื่อยคนนี้ไปผม บ, บุกกับบุกวึ้นมาได้นาะอคผมจะแตกเนี่ยได้บอกอยู่แล้วมีน้ำท่ำยังมาสร้างความอกแตกให้เห็นต่อนหน้าต่อตานี่เน้นมีพระอะไรบ้างชาใช้เอาอะไรไปให้บ้างหอตอนชาติตอะไรให้เอาอะไรไปให้กิน นี่คือมันเคยมาแล้วตั้งมันเ็ดมาตั้งแต่สมัยข้อแม่ครววูอาจารย์ยังอยู่กับพระกับหนึ่งตุนการตุนกางตุนการมันมาเป็นกับเราชี้เองได้ท่านเห็นชัดเจเนนี่โอกไม่แตกกันทำไมก็มันเ็ดอยู่แล้วนี่ ขายก็อยากมาอยู่ขายก็อยากมาอยู่ให้เห็นแสดงลวดลายความอยากมาอยู่อันดีงามไม่เห็นบ้างไหมยิ่ยงตอนกําลังสังขารอังคารเราสุดมีตอนนี้นะวันยิ่งเห็นเด่นชัดเรื่องข้าเรื่องหนึ่งเหยียบย่ําทําลายวาดวาว่าหมู่เ พ, พืพ่อนครูวาอาจารย์ พระเจ้าชู้พระคุณนางที่ไหนมาอยู่ที่นี่ทําทั้งสอนให้เป็นพระเจ้าชู้พระคุณนางเหรอพระพุ่งเฟอ้อเหินพระเห็นจะอยู่แกกินเห็นแกปากแก่ท้องเห็นแก่เรื่องชายเดื่ออยใช่ไหเหร อ, หรอนี่ไหมทนสอนไม้ว่าไงอภิจิตาสันติฐีท้งางล่างไงท่านบอกไหมว่าให้สังสมอภิจิตตาว่ามหิสตาให้มากไหม มีไหมเฮ้สันสอนอาปิชาตาเนี่ยความมากน้อยสันโดษในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีอยู่มันแวกแนวไปหากว้านเอาเขามานั้นมันเป็นสันโดษแล้วหรอือบุหรีถ่ถาไมจะบุหรี่นอกมันก็ไม่เอา ม, ามาซื้อมาถูกเนี่ย องไหนซื้อบุหรีมาสูบนี่มันซื้อมาเผาหัวมันเหรอซื้อมาทำใหม่มาปฏิบัติเพื่อสูบบุหรีเหรอเพื่อซื้อบุหรีเหรอนี่เหรอพิเศษอย่างนี้เหอรอท่านสอนใหสร้างความดีจากนี่เหรอมองไม่ทันเลยความเร็วของพระนะ ความธรามดามันเป็นขึ้นมาจนอาทูอัทางเราก็ดียิ่งเราแกล่ลงไปกว่านี้แล้วก็ยิ่งแล้ ว, ลวมันก็ยิ่งมาควักตากันกินอยู่นี่ในวัดนี่มันสลดสังเวชจะตายไปในวัดนี่หรือเปล่าเป็นวัดหนึ่งที่มันเหลือเฟืออยู่แล้วอะไรๆก็เต็มไปหมดเราก็ไม่เคยสนใจว่ามีอะไรเออ ถ้านเนรจะรความสะดวกสบายด้วยความเป็นธรรมอะไรเราเป็นที่พอใจแล้วเราที่เมื่อเคยมาสนใจกับสิ่งเหล่านี้แต่เมื่อพระเนรจิตจะเสียสังหารตน ส, สดโดร้อนๆ้อนมันก็ดูไม่ได้สิด้วยสิ่งเหล่านี้น่ะมันกว้านมาสังหารตนเองมันไม่ใช่ความพอดีอยากให้หมูเพื่อนได้ครบได้ฉันได้ใช้ได้สอยด้วยความเป็นธรรมทั่วหน้ากันนี่เป็นเจตนา สุดซึ้งในหัวใจเราเราพูดได้อย่างเต็มปากเลยเป็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งเหล่านี้กลับมาเป็นเครื่องสังหารพาเนนเราก็ดูไม่ได้อีกเหมือนกันอกเราจะแตกหวัดนี้ที่เหลือเฟือเราอย่าว่าพอดีพอดีเลยมันเหลือเฟือวัดนี้ขนออกไปทานเท่าไหร่ก็เป็นความชอบธรรมเท่านั้นแหละไอ้นเข้ามาสังหารตัวเองที่พรความปรุงเพื่หอหอมความโลภความโลเล ความไม่รู้จักประมาณความเห็นจากปากจากท้องนี่สิมันเป็นเรื่องอยากโลนที่สุดน่ะไม่อยากได้ยินได้ยินไม่อยากเห็นผู้ปฏิบัติจะมาแสดงตัวเป็นอย่างนั้นมันเข้ากันไม่ได้กับตั้งใจปฏิบัติเพื่อมากลุ่นิพานนอกจากจะปฏิบัติเพื่อจมลงโดยถ่ายเดียวเท่านั้นมันเข้ากันได้อันนี้ถึงแม้มาปฏิบัติมันก็สร้างมันอยู่แล้วแต่นี้เราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อทางจมทั้งเป็นนี่นะ ยังดูไม่ได้อยาปฏิบัติธรรมไม่ฝ่าไม่ฝืนไม่ตัดไม่แปลงกดขี่บังคับตนกดขี่บังคับที่เลสที่มันฝังใจมันกดขี่บังคับเรานั้นก็ไม่ทราบจักเดินทางไหนทางผูกเป็นสาระก็เห็นแล้วตามตำหลักตำหลักใครจะค้างจะได้ลุงขอขอคําพีเดียวกัน ไม่ว่าพระพุทธเจ้าไมว่าพระสงฆ์สาวกท่านท่านดําเนินอย่างไรสกุลไหนที่มันได้มาไม่ไม่ได้มาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีเหลือสกุลไหนก็ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นดําเนินตามพระองค์หมดทุกสกุล คุลพระราชามาหากษัตรนะฟังสิเศรษีกุลุนปีพศ๕ประชาชนคนธรรมด า, านาติจบมีพวกคนขอถามเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้าทั้งนั้นมาเป็นสาวกของพระเจ้าได้ทั้งนั้นท่าไม่ได้มาเป็นด้วยความโอูอ่าสางผ่าเผยด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องตามวิสัยสันดานนั่นท่านมาด้วยอดด้วยธรรม มั่มีสีถูกขนาดไหนอำ น, น, นาจลักษณะกว้างแคบขนาดไหนถ้าไม่เคยสนใจกับเรื่องนั้นนอกจากทำอย่างเดียวคนนี้แล้วดำเนินตามพระพุทธเจ้าด้วยความลำบากลำบุญมันก็ไม่ได้ท้อใจจนีด้เป็นสังฆังสนังกระฉามีของพวกเราขึ้นมาถ้าไม่ได้เป็นสังฆังสนังกระฉามีมาด้วยน้ำอ้อยน้ำตาลกุ๊กข้อกแแ่เนยใสเนยข้ น, นดังที่พวกเรากว้านเข้ามาเป็นชนะู่ทุกวันนี้มันมาสังหารตน สาวกทั้งหลายท่านไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เยียวยากัานไปอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่เยียวยาอ่านทางจงกลมที่ที่ท่านนั่งสมาธิภาวนานั่นเป็นถานที่หายใจของท่านลมหายใจท่านอยู่กับความเพียรท่านมาได้มาอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นของเศษของเด่นทังโลกสมมุตินิยมกัน ขธาตุของขันที่มันต้องการอย่างนี้เลยมันไปกว้านนามาเป็นเจ้าตัวการสําคัญขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตในหัวใจพระในภูมิของพระ น, นลิ้นของพระไปเสียแล้วทําจะเกิดได้ที่ไหนเมื่อสิ่งนี้มาเป็นใหญ่กว่าแล้วนี่ที่มันทําให้อีิจฉาละอาใจอันนี้ก็ดําเนินมาก็แถบร่วงแถบตาย พูดหมดแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่เคยลี้ลับบางทีเหมือนก็จะตายอยู่คนเดียวจริงๆมันทุกข์มันลำบากทั้งขาดขันร่างกายทั้งทรมานจิตใจไม่กินแล้วยังไม่แล้วยังไม่นอนแต่ความเพียรไม่ถอยลมออกหูอื้อไปหมดเหมือนมันไม่ออกจมูก ไมได้คิดว่าจะมาแนะนำส่องสอนหมู่เพื่อนเวลาปฏิบัติตนอยู่มันเหมือนผ้าเช็ดเท้าผืนหนึ่งชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่มันแดกก็คือว่าจะเอาให้จิตเรือมันพังทายเดียวเป็นก็เป็นตายก็ตายเป็นขนาดนี้ไม่ตายยกพระพุทธเจ้าเป็นรวมศาสดามาเป็นพง์ไทยพระพุทธเจ้าสรุปถึงสามหนพระไม่เห็นตายว่านี่ยังไม่เห็นสรุปนี่ ทำไมจะคลัวตายแล้วนี่เนี่สอนเจ้ของแต่สลบไม่สลบมันก็รู้กันอยู่นี้เหมันไม่สลบทุกขนาดนี้ยังไม่ถึงบุพติเจ้าถึงขั้นสลบนี่นะเนี่ยแล้ววัดว่าเราตึงไงได้มันก็มีแก่ใจทีเมื่อปลูกเจ้ากิจจริงไม่ให้มันท้อถอยอ่อนแอทุกขนาดไหนก็ให้มันรู้สิทุกขัตริย์เป็นของจริงอยู่แล้วไม่เรียนรู้ทุกขัตริย์จะไปรู้อะไรมันเห็นนอก ตัวรอบกายรอบใจไม่สูงผู้ปฏิบัติจะไปเห็นแต่สิ่งเหล่านั้นเหล่านั้นประเสริฐสิ่งนั้นดีตัวเรวไม่ได้ดูมันเมื่อไม่เห็นความเรวของตัวก็ความเรวนั่นแหละมันเหยียบย่าทำลายหัวใจอยู่ไม่มีวันลดห่อนผ่อนปั น, นลงบ้างเลยมิถึเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างที่เลศเพิ่มหัวใจมันเหมือนทําเพิ่มหัวใจไหมล่ะมีแต่ความฟืนกองไฟไฟนรกตังสู้ไม่ได้ เขาอยู่ในหัวใจเพราะพิษของเจเลยใครจะไปก็ไปนะหนึ่ชวนเข้าพรรษาแล้นะแต่ไปหมดก็ไปย่ามาขวางหัวใจวะหนูคนเดียวตายคนเดียวมันดีกว่าเรื่องความเรื่องความเกลื่อนคนด้วยฟืนด้วยไฟอย่างนี้นั้นหมดน่ะมดพุงสอนหมูเพื่อน ไม่มีอะไรจะสอนเน่ยหมดภูมิแล้วมันเกิดความวินาศอาใจียขึ้นมาแทนที่จะรับความภ า, ภ า, ภามคภูมิใจกาะสมุอมเพนมันเลยกลับได้อันนี้ขึ้นมามาปฏิบัติทําความภาคความเปลียนหลักใหญ่อยู่ตรงนั้นเดินจงกรมนั่งสมาธิพาว่นนะไม่ว่ากลางวันกลางคืนเดินเดินนั่งนอนเล้นระดลบพนันนั้นเป็นทำงานของพระโดยตรงก็ได้สอนหมดแล้วถืออะไรวิเศษวิสโสยิ่งกว่างา น, นนั้ เรือาา่องอาศัยอาศัยไปทำเท่านั้นไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นเกจจนถึงกับทําให้เจ้าของลืมเนื้อดุลตัวไปเพราะวัตถุทั้งหลายอย่างนั้นอะไรอะสั่งเข้ามาไม่อัดไม่อ่านสั่งไม่มาไม่ดูหมูดุนตาถามเข้ามาด้วยอํานาจของกิเลสปัญหาแท้ๆไม่ใช่ด้วยอาจด้วยธรรมนอกจากนั้นมันแบบลบหบหลดหลีดลบหซ่อนซ่อน เป็นลักษณะขมโมยมาอีกนี่นี่มันหยาบมากนะเห็นความจาเป็นแล้วเอาให้ทุ่มทั้งหมดหนึ่งคิดว่าอะไรฮัยลผมทราบเหตุทราบผลด้วยเถอต้องการที่สุดเรื่องเหตุเรื่องผลความเคลื่อนไหวของหมู่ของเพื่อนหรือความจำเป็นของหมู่เพื่อนมีมากน้อยอย่างไรนี่พร้อมเสมอที่จะรับฟังที่จะปฏิบัติตาม เหตุผลในความจําเป็นนั้นๆเราไม่หึงไม่หวงอะไรทั้งหมดของที่มีในวัดหรือนอกวัดซึ่งเป็นสมบัติของวัววดเราสงวนแต่พระแต่เนนี้เท่านั้นที่เป็นหลักใหญ่ของเราในหัวใจเป็นอยู่อย่างนั้นนั้นมันจะเกิดจะมีมามากมาน้อยมันไม่เห็นจะเป็นลมกับมันมันก็ฝังอยู่ในใจอยู่แล้วว่า ปัจจัเครื่องอาศัยเท่านั้นเท่านั้นพอเป็นไปวันหนึ่งขึ้นที่จะทําให้เป็นความสะดวกจากการปฏิบัติบ้างเท่านั้นไม่ถือเป็นความสะดวกมากไปมาทั่งกลายเป็นเครื่องสังหารตนเด่นเด่นดั น, ด, นด่างทำไเลยกดได้เจอเลยหรือีกทำไมใครที่ไหนย่วเย่อย่วเย่มีแต่พระแต่นี้ แล้วมันจะกายเป็นขอนซุงไปหมดเกลื่อนวัดอยู่แล้วทําไมพยายามรักษาเพื่อส่วนรวมให้เป็นหลักเป็นเกณฑทั้งประชาชนปกวกฆราวาสด้านตรง้าเกี่ยวข้องกับวัดเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบคนเดียวไม่ให้ใครทําแทนเราพระเนรทั้งหมดก็เป็นหน้าที่เราผู้รับผิดชอบ ในกิจการใดดีอะไรที่ควรไม่ควรก็ต้องในพิจารณาทั้งสองมือนเงือนประชาชนก็ต้องพิจารณาสอย่งนี้มาขอปูกกุติที่ครนั้นก็ให้ได้รับความพิจารณาจากเราสิ่ ม, มาขอปลูกไม่มีมากหรือมากเราก็มาเทียบแล้วกับเหตุผลอัดทำส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อชนเสียจะมีขึ้นวนได้จะไม่ปรากฏก็จะฟืนไปทำใหม่ระยะยแล้วคนนี้มาปลูกคนนั้นก็มาปลูกได้คนนี้ก็มาปลูกได้ทั้งวัดตอนนี้สายประชาชนกับหลักธรรมบบวินัยมันเข้ากันได้ตอนนี้สยัยอันนั่นมาใช้เหยียบย่มทำลายไปทั้งวัด อาจจงให้เป็นวัดของแผ่นดินโดยมีหัวหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในวัดสงวนให้ปลูกก็ปลูกไม่สงวนให้ปลูกก็ไม่ปลูกไม่ให้ปลูกปลูกทําไมเทาเดียวให้ลงให้ทําทําให้อย่างนี้มันก็มากพอแล้วมากก็มากเขา้ า, ก, ขากลายเป็นโรงหมัดโรงมวยขึ้นมามวยสีปากนี่ทะเลาะ ก, กัน ระวังทั้งหมดมันไม่ไปไหนมันแต่ลงช่องนี้เคยผ่านมาแล้วว่าเที่ยวเที่ยวจะจนแหลกสมาคมจะจนแหลกทําไมจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้หญิฝ่ายผู้หญิงทะเลาะกันเร็วที่สุดไม่เหมือนผู้ชายวความเห็นแก่ตัวความชอบอำนาจความมองกันในอะไร มันเด่นปากก็ไม่มีฝาปิดพร่างพร่ำมาพร่ามาําไหนเข้าใจว่าตัวถูกทั้งนั้นมันจะผิดเป็นน้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ว่าผิดร้อเอร์เซ็นตว่าถูกร้อเป็นนั่นจะมีทะเลาะ ก, กันก็ตรงนั้นถ้าปากมีเหตุมีผลเอามาจากใจที่มีเหตุมีผลนี่มีความมันก็เป็นอีกอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้น ฆรวาสมาปกครองวัดมันกายเป็นอย่างนั้นไปโมโหโลคาณามันทําลายความเห็นแก่น้าแกตามันำทําลายหลักใหญ่คือหลักธรรมวินัยหลักศาสนาเรื่องของบุคคลแต่ละคนแล้วคนเราถือ ม, มาเป็นใหญ่ไม่ได้แล้วแต่ละคนแล้วคนถ้าเป็นจิตที่บริสุทธ มันก็เป็นธรรมรื่องส่งเสริมแต่นี้ไม่บริงสุดจริงๆมันก็จะหาะพวกที่เหลียนมากัดกันแหลกไปหมดพี่เหลียนไม่ไว้หน่า น, นะกัดได้ทั้งนั้นกับดะไปหมดเลยมันสุนักบ้าธรรมมีเหตุมีผล ควรหนักเบามักน้อยเพียงแล้วก็ดําเนินไปตามนั้นเรียกว่าธรรมหเริเลศมันไม่มีเหตุมีผลมิจิจะเอาธาตุเดียวให้ได้อย่างใจธาตุเดียวใจของกิเลสเป็นนกิเลสคลองใจเป็นนั่นไม่เหมือนธรรมครองใจธรรมคลองใจมีการยับยั้งทั้งตัวมีเหตุมีผลการแสดงออกก็เป็นหนับเป็นเกณฑ์หิริเลศมันไม่ได้เอาหลักเอาเกณฑ์อะไรมาใช้นอกจาก ตามหัวใจมันตอนหัวใจของวิเรศวิเรศเป็นหัวใจเรานั่นแหละไปคลองเป็นหัวใจมันบีบบี้สีไฟยงไงก็ได้พอได้ยินธรรมาต่างๆงวราอาจารย์ท่านเคยพูดเรื่องความอินาและอาใจให้ฟังก็เป็นผลที่ เราคิดไว้แล้วทั้งนั้นก็ไม่ทราบแต่ค้านะันมันเกิดความมินาลาใจเกี่ยวกับเรื่องประชาชนที่จะอยู่ในวดัดสร้างความไม่สงบขึ้นสร้างความทะเลาะเบาแว้งกันขึ้นสร้างเรื่องสร้างราวขึ้นยุ่งไปหมดกนะีติรังไหนไปสร้างแลปะปฏิทินกรรมสิทธกรรมสิทธิใคไปแตกไม่ได้นะ่นสำเร็จผู้ติในวัดกับปฏิทนกรรมสิ เหมือนอย่างอยู่ในโลกอยูทางโลกเนะี่ยเอามาใช้ในวัดนะิสัยของโลกามาใช้ในวัดมันก็ขวางวัดเลยไม่ขวางเลยเพราะวัดมันไม่ได้เหมือนโลกนะ่แต่เอานิสัยนั้นมาใชา้ของใครกันล็อกกุญแจล็อกกุญแจเวลาไปห้ามด้วยติดไว้ห้ามไว้ด้ว ย, ว, ยว่าแม่ใครมาดูแม่มาเกี่ยวข้องนะฟังสิ นี่ทีก็มาเป็นของขายของเราเป็นก็อำนาจอย่างนั้นบางทีเราไม่ทํากับ็คิดเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยทำก็เป็นจริงๆถ้าอนุ ญ, ญาตให้เป็นก็เป็นอย่างนั้นจริงอนุ ญ, ญาตให้ทําเราจึงมาอนุ ญ, ญาตใครมาขอสร้างเมื่อไรไหนก็ตามเป็นคนใหญ่คนโตขนาดไม่สําคัญยิ่งกว่าเหตุผลคืออะหรือทําำมาอยู่เลยบ้านนี้คนเคยมาอยู่กันมากแล้ว ไม่มีอะไรเลยไม่จาเป็นต้อ ง, งสร้างอะไรมาอยู่เลยบอกนั่นเลยอยู่ได้เขาครับแล้วก็คับเขาแคบแล้วก็แคบเขาแน่นล้วก็แน่นเขาลำบากล้วก็ลาบากมันไม่มีใครได้เปรียบเทียบกันมาเลยถ้าเป็นผู้มุ่งอัดมุ่งทำไปอย่างนั้นเราต่อไปงั้นทรงเช็คมาจะตี่จะสร้างแล้วนี่ทรงกลับน่ะ เราไม่รับไม่เมื่อเราไม่เห็นเหตุผลด้วยทรงมาเป็นล้านๆก็กตามเถอะทรงกลับให้หมดเงินล้านม่ได้มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมเอาตรงนั้นเด้หรือโมกโคโลกนาถตายนะทิยหายหมดเลยเคยเนี้ทรงเช็คมาคือมาขอสร้างขั้งสั่งทรงกลับพร้อมจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบเพราะเคยพูดให้แล้วดังสืนไหมเฉยนี่ ผู้ที่ส่งมาก็ฝืนเฉยๆทั้งๆที่เราก็ชี้แจงแล้วนี่ยยังฝืนส่งมาส่งมาก็ส่งกลับดิแต่นนี้ผมไม่พูดเพงเพิ่มาพูดวันนี้มันมาสัมผัสผมก็พูดมันเป็นมาอยู่เรื่อยๆหรื อ, รอมาเกี่ยวข้งของกับเราโดยเฉพาะพราะเห็นว่าเราไป็นหัวหน้าเราเห็นทุกป่วยไม่ทุกป่วยังไงแล้วก็ปฏิบัติตานั้นแล้วก็ผ่านไปผ่านไ ป, นไปแล้วจึงไม่นํามาพูดอะไร เ, เมื่อมาสัมผัส มีเหตุมีเรื่องมีรามาสัมผัสก็จึงแด้นําออกมาพูดพิเศษอย่างนั้นไม่ได้สําคัญเท่าความลงใจด้วยเหตุด้วยผลกันนี่นะอันนั้นต่างหากที่จะเป็นที่มงคลไม่ใช่เป็นที่มุคลเพราะการมาทํำมาตามชอบใจแล้วการส่งเงินมาเป็นล้านๆเป็นมุคลอะไรหาเหตุผลไม่ได้เอามุคนมาจากไหนออื ความ ม, วามีเหตุผล ค, ความมีหลักเกณฑ์นั่นคือความเป็นมงคลนั่นคือความเป็นของมีคุณค่าคุณค่าอยู่ตรงนั้นต่างหากไม่ได้อยู่กับความพราะเห็นแก่หน้าแก่ตากันไมไ่อยู่พราะเห็นว่าเพราเอาเงินเอาทองมาให้ยนะกันนี้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็จม ει, สิศาสนาไปเห็นแก่สิ่งเหนั้นศา ส, สนาก็ไม่เป็นตัวของตัวได้ปกครองโลกไม่ได้กลายเป็นโลกมาปกครองศาสนาแหลกไปหมดนั่น ต้องคิดเรื่องเหล่านี้ไม่คิดไม่ได้นี่ถึงไม่ได้ปฏิบัติต่อใครไนมะ่หน้าโดยหาเหุผลไม่ได้ดหหไไดเหตุผลพร้อมแล้วไม่ว่าใครปฏิบัติได้ทัางนั้นลงใจหน้าทั้งนั้นมันลงอยู่ที่เหตุผลต่างหากไม่ได้ลงอยู่กับเงินกับทองกับข้าของกับเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยฐานะนั่นฐานะนี้ไม่ได้ลงเพราะสิ่งเหล่านี้ เขาทาไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นทําอยู่กับเหตุกับผลคือความถูกต้องมีงามเป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ต่างหากลงที่จุดนั้นมองไม่เห็นพระเนนเป็นเพลนผ่า น, น, นผ่านห า, า, าเหตุหาผลไม่ได้มันสะดุจใจสะดุจใจนะคเห็นอยู่ในทางจงกลมหเห็นอยู่ที่สมาธิภาวนาเราปลื้มใจภูมิใจสมุจจันณาที่เราสอนด้วอย่างนั้นและเราก็ดําเนินมาอย่างนั้นด้วยนี่นะไม่ได้ว่าเป็นเพลนเป็นผ่าน นี่กิจวัตรจเป็นแล้วว่าทาเลยเหมือนกับว่าอยากจะให้เสร็จให้สิ้นเร็วๆที่ไดภาวนาสนุกอันนี้มันเป็นน้ำไหลบ่าแม้จะมีสติตั้งหน้าตาั้งตาเมื่อมความมีสติอยู่ในจิตการนั้นนั้นทั้งรักษาจิตก็ตามมันก็เป็นน้ำน้ำไหลบ่าไม่ถึงไม่เต็มหน่อยเพราะจากนั้นน้ำกระทุ่มกันเลยในความเพีย่ยนไหลลงช่องเดียวนี้เราอยาเห็นหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่นะ ไม่อยากเห็นไม่อยากพบไม่อยากเห็น ท, ที่เป็นเ่เพลผ่านๆแล้วยังที่เป็นมาเหล่านี้มันสะดุดตาสะดุดใจคุยโม้กันหางหอิดหางผลไม่ได้บ้านน้าลายนี้ไม่อยากพบไม่อยากเห็นอยากเห็นเดี๋ยวพูดน้อยแต่ต่อยให้มากนะฟัดลงไปกับพี่เหลก นี่ถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนกิเลสเป็นตัวเป็นตนเนี่รากับกิเลสนี้เป็นคู่แแค้นกันจริงจริงเนี่ยถึงใจเลยเดาะอันนี้มันกิเลสมันเป็นนามธรรมถ้าว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นเหมือนศาสตเหมือนบุคคลเนี่ยอเรากับกิเลสนี่จะเป็นคู่เคียดคู่แแค้นกัน่เดาเหมือนกับเป็นคู่ผูกกรรมผูกเวรกันอย่างถึงใจเลยเดาะกิเลสไม่ พังทั้เมื่อไรจะถอยไม่ได้ตายก็ตายไปเถอะวางงันเพราะมันเคยบีบบังคับหัวใจมาตั้งนานแสนนา น, น, านไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ในชาตินี้ก็เห็นแล้วจักร ว, วันเกิดมาณขณะที่ออกบําเพ่งไปแรกมันก็เหยียบย่ําทําลายแล้วมันไม่ลืมนะนี่นะตั้งหน้าตั้งตาพยายามทำของภาคของพลนมันยังฉุดลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเนี่ยโอ้โหขนาดนี้เถอเหรือ บางครับเป็นขนาดนั้นมันยังฉุดล่างพัฒนานาตตากำลังสู้มันไม่ได้นี่แหละเหตุที่จะได้ฝึกพรมานหลายด้านหลายทางนะก็เพราะธรรมดาธรรมดาอยู่นี่ฝึกกันอย่างนี้มันไม่ได้เฮ้ทำยังไงนี่เหนืหาวไโอดนอนก็ลองดูแต่ปรากฏวมันถือไปเสีย่ะสัยไม่ถูกไม่นอนสองคืนสามคืนติดกันนมุงไปยังไงจิตมันทาไมคึกขนอนักหนา มันคึกขนองอในมันเองนะไม่ใช่ว่ามันไปคึกขนองเพราะไปลากรูปนั้นรูปนี้จยางนั้นเป็นฟุ้งหัวกับอยนั้นมันมนะเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยเผายิ่งหัวใจจะขอในความคืดความนอของจิตต้อ ง, งที่นี้ก็ทําอะไร ห, หาอุบายฝึกแหลไม่นอนก็ลองดูสองคืนสามคืนที่กิดกันก็ลองดูผลไม่ค่อยปรากฏมันทื่อไปมันไม่แ ย, ยบขายพิกหม่ นะอดอาหารลองดูพออดมันก็ปรากฏขึ้นมาเรื่องที่มันความคืบ ค, ความนองอยู่ภายในจิตใจนะั้นมันก็สงบตัวลงไปสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นขึข้นมาเย็นขึ้นมาเถ้าผลเ้าผลนี่แหละเหตุที่เราจะได้อดอาหารจนกลายเป็นนิสัย ก็เพิ่งเห็นนี่เองความหิวหิวความทุกโทกธสมัยจะไม่ทุกโธแต่กิเลสมันดัดส้นดานเรามันทรมานเรามันบีบบังคับเรามันทุกข์ยิ่งกว่านี้ไปอีกนั่นเอาข้อนี้มาเทียบนี่เรียกว่าปฏิบัทาเป็นปฏิบัตาอดอยากปฏิบัตารเราเพราะเลยพิณพิจารณาหาอุบายที่จะต่อสู้กับกิเลสมันหลายแี่ยหลายกระทงเหลือเกิน พอได้เมื่อนมั่งก็คือเรื่องอุตาหกรสําหรับเราเองนะคนอื่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละมันแต่แตส่วนใจมันลงธาตุขันมีกําลังนี้ธาตุขันนี่เป็นเครื่องเสริมกิเลสได้เป็นอย่างดีเราไม่สงสัยเช่นราคาก็เกิดได้เร็วถ้าธาตุขันมีกําลังเพราะมันได้เครื่องเครื่องมือดีเครื่องมือทันสมัย พออดลงไปอดลงไปใายไม่กำลังคือขนองนั้นก็เขาสงบตัวลงไปเห็นตัวกระทั่งสงบแน่วลงไปมันก็รู้ได้ชัดนเลยเนหะยาก็ทนถึงกินพอไม่ให้มันตายตอนนั้นฟาดกันไปฟาดกันมานั่นจิตมันเข้าสู่สมาธิเป็นความสงบได้เแม้เช่นนั้นก็ยังต้องได้ไม่ทรมานมาก ก็ต้องทรมานน้อยอยู่นั่นนะ่ะในการปกการฉันนี่นะไม่ได้ฉันดินไม่เต็มหน่ยวยเพราะฉันเนเื้อเต็มหน่วยมันฝืดเครื่องภายในใจิตใจคลุกขับเวลาดําเนินมันก็ต้องทอยมาอีกอ่ที่อยู่อย่างในบรรษัหนึ่งหนึ่งนี่ผมไม่ได้ฉันในงานอื่นแม้วันเดียวเลยในบรรษาททีอยู่กับพ่อแม่ครัวอาจารย์พ่ออยู่กับหมูกเพื่อนมากเจ้าโทอาหารมันก็ไม่สะดวก ก็เลยต้องใช้แบบผ่อนคือให้มันเท่านี้เช่นอยังให้เท่ากําปั้นนี่นะให้วันละเท่านั้นหมดหมดเท่า น, นั้นอี่ไม่อีมอ่มไม่สำคัญเพราะเรากำหนดให้เองนี่แล้วเราอดแล้วไม่ฉันมันยังเหม็นตายแล้วฉันเท่านี้มันจะเป็นายตายก็มันเห็นด้นวยใช่ไหมเรียนธรรมะเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทั้งธาตุทั้งขันและจิตใจทําไมจะไม่รู้เรื่องจะเป็นจะตายเจ้าของ ในพรรษาหนึ่งๆเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มากกี่ปีในพรรษากินข้าวไมา่อิ่มแหละอันนี้คุณลุงจะไม่ค่อยได้พูดเรื่องนี้เพื่อนต่างแต่เรื่องสมทบทานทุดงผมเอาทุกพรรษาเลยหมูเพื่อนจะล้มประกไปเถอะเราไม่ให้ล้มยิ่งเขมวดกวดขันเจ้าของมากยิ่งขึ้นเห็นหมูเพื่อนเลีวไหลเพราะมันเห็นเลีวไหลมาจากโน้นนี่หาความจริงใจไม่ได้ทํำยังไงทําให้มิตรครูอจารย์ กำมมูกับเพื่อนทั้งๆ ท, ที่เราก็ตะเกียวตะกายต่อสู้กิเลสอย่างหนักเหมือนกันก็ยางอดคิดเรื่องหมู่เพื่อนว่าไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้เรามาทานตูดงก็เอาใกเดียวลมไปลมไปสุดท้ายหมดเอ๊ะทำไมไปยิ่งแสดงความไม่ไว้ใจเราก็ยิ่งเข้มงวดขวดขันเราเข้าทุกทีทุกทีเห็นหันไม่มีอิ่มแล้ว ไม่ต้องออกพรรษาให้อย่างนั้นทุกวันให้เท่านั้นไม่ตายบอกเจ้าของเองไม่ตายเหนื่อก็อสงบจิตก็บังคับได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วมันสบายมันไม่ยุ่งวุ่นวายใจตัวภายในนี่มันก็ไม่คึกไม่กนอมทำลายตัวเองอยู่โยเฉพาะ นอกคือตามธรรมดาของกิตทำไมคือก็น้องนอกธรรมด า, าตัวองโดยเฉพาะแล้วมันยังกว้านเอารูปเอาเสียงเองเอกลิ่นเออลวาเผ า, าก็มาอีกเป็นาอารมณ์เผาตัวเองนี่ที่มันใหม่มันลาบากมากกิเลสนี่มันถึงได้ถึงใจนะ่ะฝึกทรมานนี่เกือบเป็นเกือบตายเวลาเราท<อ>ําทุกมากจริงๆกิเลสนี่ทําให้เราทุกการฝึกลําบากระบนก็เพราะกิเลสเป็นต้นเหตุทั้งนั้นพาให้ทุกทําทํามันได้พาให้ทุกนี่ ทุกทุกแง่ทุกมุมโดยลาพังมันที่ปีบบังคับเราก็ทุกเราต่อสู้กับมันก็ทุกนี่แต่เรื่องของกิเลสพรให้ทุกข์เท่านั้นทำทํานให้ทุกข์กับอยาเราที่ไหนมีแต่กิเลสทั้งนั้นให้ทุกข์มากน้อยการทรมานกันอย่างหนักก็เป็นเรื่องของกิเลสต่อสู้กิเลสอย่างหนักไม่ใช่ต่อสู้กับธรรมนีนะต่อสู้กิเลสพลิกแพลงเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงนะั้นพื้นฐาน ของปฏิบัติทางริงก็คือการอดนั่นแหละภูมิยากขนาดไหนก็ต้องทนจนกระทั่งจิตมันเป็นเหมือนหินไปเลยใ <c oughs> นลาสมาธิมันเต็มผงแล้วมันเป็นเหมือนหินนะมันหนักไม่เงียบคลายเพียงสมาธิเท่านั้นมันสงบนแน่วจิตรู้ฟ่องใส เห็นดวงชัดๆไปเลยว่าเป็นความปสงสัยเปงความสุกในตัวเองภายในตัวเองแม้แต่อยู่ในร่างกายมันก็มันมันก็ไม่ใช่ร่างกายมันรู้ชัดๆว่าคือจิตนั่นนี่คือจิตนี่คือความสว่างของจิตคือความสงบของจิตเน่รู้ได้ทัดๆอยู่ภายในร่างนี้แหละแต่ไม่ใช่ร่างกายนี้มันหนักมันมีความแยบคายเพราะไม่ใช่เพราะไม่ใช่เรื่องปัญญามปนความสงบเหมือนกับว่าตีกิเลสให้ตะล่อมตัวเก็หมายถึ ปัญญาไม่ได้พิคลายออกฟาดออกฟันหันแหลกกับกิเลสพอเมื่อปัญญาได้ก้าเดินออกไปนั่นแหละทีนี่ที่มันสังมันจมอยู่ที่ไหนมันพลุบมันทรอนอยู่ไหนปัญญาขุดค้นขึ้นมาขุดค้นขึ้นมาฟาดแหลกละเอียดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยธาตุขันธ์ของเรานะพลุบขนทุกอย่างเป็นเรื่องของกิเลสตัวอุทปทานนั่นเอง เมวลอปัญญาที่คางลงไปที่คางผ่อเทียนผอดน้ําขึ้นมาเรืเ่อยเรื่อยเรื่อยมัเห็นคุณค้างปัญญาประจักษ์ใจอย่างนั้นน้ําก็หมุนแล้วทีแต่ความขี้เกียจขี้ข้างความท้อทอยอ่อนแอเนี่ยมันเรารู้ได้ดทัดชาต่อเป็นเรื่องของกิเลสก็เมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสิ้งแบบนี้ไม่มีนี่มีแต่มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวจนรั้งเอาไว้มันจะเลยเถิดไม่หลับไม่นอน นอนไม่หลับนอนก็ น, นอนแต่ไม่หลับเพราะจิตมันทํางานมันต่อสู้กิเลสไม่ถอยนั่งมันก็ต่อสู้แม้ที่สุดฉันจะหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับลิ้นกับปากนี่นะมันอยู่กับกิเลสต่อสู้กิเลสฟาดกันกับกิเลสมันมาสนใจกับรถกับชาตที่ไหนมันเห็นชัดชัดรู้จักชัดอย่างนี้นปฏิบัติมาอย่างนั้ น, นเหมือนเมื่อถึงขั้นปัญญาเก้าเดินทําได้เก้าเดินทําได้แซงเหยียบมือกิเลสไปแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสค่อยหมอกลงหมอกลง แต่ก่อนกิเลสเยียบย่ำทําลายทำแม้สมสัาธิทำก็เกิดไม่ได้ถูกกิเลสเยียบพังทลายไปหมดทุกมากเดียวจิตหาความสงบไม่ได้นี่ทุกแสนสาหัสให้พอจิตสงบได้ก็ศาสนาก็มีคุณค่าข <c oughs> ึ้นมากราบพระพุทธเจ้าก็ค่อยสนิทใจกะรับกราบเฉยนับถือเฉยอย่างหนึ่งเขกราบด้วยความถึงใจเป็นลาดับบรรดาไปเป็นอีกอย่างหนึ่งนะกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พิจกัน ก็คืออ่อนกําลังลงธรรมะก็ยิ่งมีกําลังมากมากสติธรรมปัญญาธรรมอุตสาหะธรรมวิริยะธรรมกลมคืนเป็นอันเดียวกันไปเลยขึ้นชื่อว่าธรรมเนรรวมพลังกันมาเป็นจุดเดียวจุดเดียวจุดเดียวพุ่งพุ่งพุ่งความขี้เกียจที่ค้านหายหน้าไปหมดมีแต่เอาเป็นเอาตายเข้าสู้ท่าเนอยู่ สุดท้ายกับมันลงที่ว่ากิเลสกับเรานี้ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายนั่นกิเลสไม่ตายก็เราตายเท่านั้นอืเวลามันเห็นโทษกันถึงขนาดนั้นแล้วเห็นคุณของธรรมถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มีอยู่สองคนนั้นจะให้อยู่ด้วยกันครองจิจตนครด้วยกันทั้งกิเลสทั้งธรรมนี้ไม่ได้อ้าวกิเลสถ้ากิดเลสเหนือเราก็ให้กิดเลสได้ครองกิจตนครนี้อันเราก็บันลัยไปเสีย เราเก่งก็ยิดนี้ต้องพังเราจะเป็นผู้ครองยิตนานครให้ทําครองยีตาควครมันมีสองเท่านั้นนี่คือมันเด็ดนะมันเด็ดมันเฉียบมันขาดเด็ดยิ่งเข้าไปอีกคือคำว่ากิเลสนี้จะยังเหลืออยู่ภายในใจไม่ได้ถ้าเรายังมีชีิตอยู่ว่างเนี่ยต้องพังไม่วันใดวันหนึ่งต้องให้พังแน่แน มันจะขยับเข้าเรืเ่อยๆเรื่อยๆเรื่ยมันมยิ่งเห็นชัดเจนเกลียดตัวไหนมันขาดออกไปด้วยสติปัญญาเพื่ออุบายใดอุบายใดมันรู้รู้รู้รู้ไปโดยลำดับตัดนั้นขาดเข้ามาอันนีาา้ขาดเข้ามาขาดเข้ามาเรื่อยมันเห็นชัดๆเลยใจนี่นาห์เห็นอย่งทาาอย่างขันมันยดึดท่าถือท่าถือรูปถือกายนี่เวลาพังเข้าไปเพื่ออุบายต่างๆตั้งแต่อสุภะอสุพังลงไป ถึงอนิจจังทุกขังตาแตกกระจายเป็นหมดรอบด้านเป็หมดแล้วคําว่าอุปทานความหลงในการมันก็หมดให้เห็นชัดๆนี่อืมรู้ชัดๆภายในใจไม่มีใครบอกก็ตามมันบอกขึ้นกับตัวเองเป็นสามทิฏิโกสันทิฏโกทิฏฐิโกจนระทั่งมันหมดความหลงกายความยึดมั่นถือมั่นในกายอุปทานในกายมันหมดหมดมันก็รู้หมดก็ไปตน ท่านเนี่ยกิเลสตัวสําคัญเนี่ยตัวอยู่ในร่างกายเนี่ยตัวสําคัญมากที่เดียกวกำลังก็มากบีบบังคับเราก็หนักทุกข์ก็มากพอตัวนี้พั ง, งไปแล้วมันก็มีแต่ส่วนละเอียดลงไปเป็นนมามธรรมอย่างสังขารนิยมยานมันยิบยับยิบยับยิบยบัมันจะยิบยบขนาดไหนก็ตามเถอะ ลองสติปัญญามันได้ยั่งเข้าไปจาะเข้าไปแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยเอาจนรู้ไม่มีอะไรเหนือสติปัญญาไปได้กิเลสตัวใดไม่แหลมคมยิ่งกว่าสติปัญญาเมื่อถึงขั้นสติปัญญาแหลมคมแหลมคมขนาดนั้นอืมย่าเข้าใจว่าคนเรานี่จะโง่ตลอดเวลาถึงเวลาฉ ล, ลาดฉลาดจริงๆมันพลิกแพงเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองนั่นแหละโดยไม่ต้องว่าจะต้องทําอย่างนั้นจะต้องทอําำนี้มันถ้าเป็นในหลักธรรมชาติของกิตที่มีความรอกครอบ ด้วยคล่องแคล่วในตัวเองมันเป็นอัตโนมัตินี่ีนี้มันอะไรขาดลำปลาขาดมันรู้นี่แม้แต่สัญญาสังขารมิญญาประกเวทนาสัญญาสังขารมิญานัมันขาดออกไปเหนือแจ่กจิตล้วนๆมันก็รู้เวทนาก็มีแต่จิตตเวทนาอันละเอียดละเอียดมันจะเป็นคู่กันกับพวกสัญญาสังขารมิญญาซึ่งเกิดมาจากใจเดียวกันมันจะเป็นขัน เบ็ดอนหนึ่งต่างหากมันเป็นเหมือนกาฝากถ้าเราหลงมันมันก็ดูดซึมากจิมันแหลกไปเหมือนกันเหมือนกับกาฝากที่อยู่ตามกิ่งไม้มันเกิดขึ้นมามันเป็นกาฝาเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นต้นเป็นลำของมันเป็นดอกเป็นใบของมันแต่มันอาศัยอาหารของกิ่งไม้นั้นเลี้ยงลำต้นของมันกาฝาก ต้นไหนต้นไม้ต้นไห น, ไห น, ไหนมีกาฝากมากๆแล้วไม่นานก็ตายอันนี้ทีเลนมากๆเหยียบลงน้ำกระแลบเหล่านี้อาการตั้ง5รูปเวทนาตัญยานิสัออยมันเป็นกาฝากปฏิปัญญายอย่างทราบหมดแล้วตัดกัรขาดทังไปเรงนั้นกับท่มีเหลือจนติดเชื้อที่มันฝังอยู่ภายกนจิตอย่างลึกลับอย่างละเอียดแลอวมากแต่ก็ไม่ เหนือสติปัญญาอันเกียงไก่นี้ไปได้งั้นหมุนเขาไปจนไดน้เอาจนพังนี่นี่ที่พูดถึงเรื่องว่าความเจ็บแสบคับิเลตที่เป็นเหมือนก็เป็นคู่กรรมคู่เวรคู่เครียดคู่แค้นกันจริงๆมันถึงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาเพราะมันทำความทุกข์ความทรมารให้เราทั้งแต่ไหยแตลไรมามันก็ทราบเปทบ็ทัศในชาติปัจจุบันนี้นเวลามันบีบบังคับเราเอาต่อหน้าต่อตาเลย มันทำไมามันทำไมเข็ดเมื่อถึงขั้นที่ควรจะเข็ดมันเข็ดสติปัญญามีอย่างทราบนไปอย่างทราบไปสิ่งที่ควรเข็ดต้องเข็ดอไม่กล้าพูดวันกิเลสกับเรานี่มันเป็นอย่างนั่นว่างั่นเลยเมื่อถึงขั้นมันจะเป็นเมื่อถึงขั้นมันเป็นกิเลสกับหัวใจเรานี้จะให้ครองกันอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังคือกิเลสต้องตายเรา สองเราต้องตายมีสองอย่างตอนนี้จะให้อยู่ด้วยกันทั้งสองนี่ไม่ได้ว้าแต่ยังไงก็ตามเราจะทำมันพังให้ได้นี่ไม่มีถอยจนกระทั่งหมดลมหายใจขาดดิน้นนั่นแหละสุวิสัยอา้ามันจะคลองให้มันคลองไปลมหายใจจะมีอยู่แล้วยังไงมันก็จะต้องพังเราจะเป็นผู้ครองจิตดวงนี้ทํานั่นแหละคําว่าเราก็ดีมีเท่านั้นนี่เมื่อมันถึงขั้นนั้นแล้วมันจะ อ่อนข้อย่อหย่อนได้อย่างไรอะไรมันก็เป็นเหมือนไฟไปหมดมันเผาไปเลยเผาไปเลยกี่เดียกตัวไหนมันจะมาเป็นเนื้อทํามาสุดท้ายมก็พังทลายไปหมดหาที่ไหนของวิเศษที่มันวิเศษก็คือกิเลเนั้นมันเป็นเหมือนมดุดเหมือนคูดมันไปพอกอยู่บนหัวใจใจมันจึงเป็นใจที่ ตำช้าเร็วซ้ำไปหาคุณค่าไม่ได้กับพกิเลสนั่นเองตัวหาคุณค่าไม่ได้ไปครอบอยู่นั้นงกพังสิ่งนี้ออกไปซะหมดไม่มีเหลือแล้วไม่ต้องบอกแล้วของวิเศษอยู่ที่ไหนหาอะไรอะไรวิเศษในโลกนี้ดินมันก็เป็นดินน้ำก็เป็นนมม้ําลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศเป็นอากาศมันวิเศษสสวิโสอะไรมันเคยมีมาตั้งกับตั้งกัรไม่เห็นใครว่ามันวิเศษ ว, วิโสไม่มีใครได้ความวิเศษวิโสจากมันเน่ karaoke. มันก็รู้ได้แา่ด้วยครับ เมื ly, ่อก so ิจกับธรรมเขสัมผัสกันไม่ต้องบอกว่าความมิเศษวิโสเป็นยังไงมันรู้รู้รู้เนี่ยคิด่านั้นมันมิเศษวิโสเป็ไงมันก็รู้นี่อันนี้มิเศษวิโสยป็นไงบ้างก็รู้ในพระใจเจ้าขอนี่แหละที่ว่าผู้เห็นคุณมันก็เห็นอย่างนั้นเห็นประจับใจประจับใจเห็นยังถึงใจถึงใจเห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจทําไมจะไม่มีกําลังใจต่อสู้กับมันเมื่อความเห็นโทษก็เห็นถึงใจความเห็นคุนของธรรมก็เห็นถึงใจแล้วกําลัง มันทั้งสองอย่างก็เป็นเรื่องหนุนให้มีกําลังมากขึ้นมันก็พุ่งพุ่งนี่นี่ที่นำมาสอนหมูสอนเพื่อนสอนด้วยจิตด้วยใจจริงทอดมาเข้าใจมาสอนอลากมาหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยในหูมันเห็นอะไรสะแสดงหูสแสดงต่ามมันทึบสะเทือนมากนะเพราะมันได้สอนเล่น แล้วลราพูดกงกงด้วยนะว่าไม่ได้สอนแบบด้นเดาด้วยสอนตามความมีความเป็นที่มันปรากฏขึ้นมาทั้งภาคปฏิบัติทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมามากน้อยเพียงไรนำเอามาสอนทั้งทั้งสองเงื่อนทั้งเงื่อเนเหตุเงื่อนผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มกําลังความสามารถของผลจะไม่มีอะไรจะสอนสอนหนูสอนเพื่อนแล้วไม่ได้มีในความรู้สึกว่าเราได้ด้นเดามาสอนหนู่เพื่อน น, นะทอเรามานี่นานนี้ยากเหมือนอย่างนั้นแต่ว่าท้าทายก็ได้ทําทั้งหลาย เอหิปัจโกเอหิปัจโกป ร, ประกาศอยู่ในหัวใจนี่เหมือนกับว่าท้าทายนี่ดูซิดูซิหนีนหนักนี่น่ะหว่างั้นเมื่อเวลาถึงขั้นทำของจริงเจ้าความก็ได้เห็นอย่างชัดเจนก็สามารถประกาศให้โลกทั้งหลายได้รู้กันได้อ ย, อย่างพระพุทธเจ้าของเราทว่าเกลียดว่าแค้นองเกลียดแค้นถึงข น, นาดนั้น่พี่เหลืเพราะมันได้รับความทุกข์ความมัน จากมันนี้มากน้อยอย่งไรมันเต็มมีหน่หวใจก็จับหัวใจหนึนึกถึงขนาดว่จาจะครองหัวใจนี้ทั้งสองไม่ได้ทั้งทำทั้งกิเลสไม่ได้หนึ่งกิเลสต้องพังสองเราต้องพังสองอย่างอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ยังไงก็จะต้องเอากิเลสให้พังในวันใดเวลาหนึ่งจนได้ไม่ถอยแล้วมันจะหนี ความสามารถจะได้ยังไงเมื่อกําลังใจถึงขนาดนั้นแล้วมันก็มันต้องพังจนได้อย่านี้อ้ามันไปอยู่ในหัวใจใดสมมุติว่ามันอยู่ในหัวใจนี้ไม่ได้แล้วมันพังหมดแล้วมันอยู่ในหัวใจใดแสดงมากิเลสท่าทางไหนมันทำไมจะไม่รู้ฮะกิเลสมันประเภทเดียวกันนี่แสดงออกมาด้วยคนมายาใดมันก็รู้ แสดงมาอย่างเปิดเผยก็รู้แสดงมาอย่างลี้ลับแสดงมาอย่างแบกบนมายามมันก็รู้หมดเลยผมไม่เหนือทำทำเหนือมันอยู่แล้วนึ่งทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้เพะนอกจากไม่พูดเท่านั้นฮะนั่นพูดงงเหนือยาติขวาทารข่าวเหนืารกอดเขาเหนือ งานในสามอย่างกยักกันไม่มีงานในดวิ่งของงานการต่อสู้การค่าการตอบแทนผิดทุ่มมาทุกอย่างเลยนั่นคือวิสัยก็มกยยอบลไงไปเลยญญทีเกลียยาอยูยอไ่ไม่ได้นะถึงวัยรที่จะมอบมอบไปเลยทุ่มเลยไอ้ติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มเลยจะสงวบไม่ได้ได้อื่นยังไม่เป็นอย่างนั้น มงเกยก็เกลไม่เกลียก็ไม่เนนี้มันขหะมันเป็นยากเปิงอย่างนีง้ด้วคำเราก็คำอ่าคือพูดอย่างนี้ด้วยไงกไม่ทาอะไรละหลอเลนะอย่างเพ่อนพันธุลหล่อเละเลเราไม่เคย เวลามาเห็นหมู่เพืลนหมู่เพลนจำ่านร้อยๆเลยมันถึงขวางตาแทงหัวใจ่ไม่อยากพบอย่างเห็นมันขาดก็จถึงเราถือเรื่องความเปลี่ยนนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากไปเยอะมองเห็นพานจะเห็นพระที่มีความเปลี่ยนเราไม่อยากเห็นพานที่เด่นดันได้ขึ้นข่าที่เดือดเยียบหัวตลอดเวลาเราไม่อยากพบอยากเห็นเพราะที่เดือดมันเยียบหัวคนอยู่แล้วเยียบหัวพานอยู่แล้วเราจะเห็นวิธีต่อสู้จะเห็นการต่อสู้ของพระ ก็จะลากพอพ่เดิดที่มันอยู่บนหัวลงมาเหยียบให้มันแหลกแตกกระจายไม่เลยให้เหลือถต่มุติธรรมเต็มหัวใจนเลพอยากพบอยากเห็นอย่างนั้นเพราะอันนี้วิเศษสุดพิเดิมันม้วนเสีเรื่องจากหัวใจเรืงนั้นเมียร้ายควรใจเนี่ยเมื่อประมวลลงมาทั้งหมดก็คุกมากคุกน้อยกันกัน มหันตะทุกมาจนกราทั่งถึงทุกอย่างละเอียดมันก็ล่วงกิเลสทั้งนั้นผให้ทุกเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะตำหนิตำหนิตัวความจริงมันเลยก็คือกิเลสเท่านั้นพอนี้มันม้วนเสวยลงไปแล้วไม่มีอะไรแม้แต่ธาตุขันมันจะแตกเพราะมันอยู่ด้วยความเจ็บใครจะป่วยมันก็ทราบก็อยู่ตามความจริงของมันมันไม่ได้มีความกระทบกระเทือนมันไม่มีความ จะปวดแสบร้อนภายในจิตใจเลยมันตงอันตังจริงอยู่นี่นั่นมันเห็นได้ชัดอย่างนั้นนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันจะทนได้มันก็ทนทั้งมันทนไม่ได้มันก็ไปทั้งมันมันี้พูดเคลือบมันครอเครียบเครือบเหมือนกับไฟไหม้ปลาไผ่ไฟจะออเข้าไปนี่สมงเปลือกเกิดเมฆเสียงระเบิดถึงปังปังปังปังปังปัง ฝนฟ้าถล่มในขนาดที่มันแสดงเต็มที่ทั้งฟืนทั้งเปลวไฟทั้งเสียงของไฟนั่นเหมือนกับว่าต่างอันต่างมีวิญญาณเหมือนกับว่าฟืนก็มีวิญญาณไฟก็มีวิญญาณเปลวมันก็มีวิญญาณความที่มันระเบิดตุ่มตามตามมันก็เหมือนมีวิญญาณพิจารณาพขาตามความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเลยฟืนมันก็ไม่รู้ความหมายของตัวเและไม่รู้ความหมายของไฟ ไฟเองก็ไม่รู้คำหมายของของก็เองและไม่รู้คำหมายของคนเดียวส่งจดเมื่อก็ไม่รู้คำหมายตัวเองเพียงระเบิดตามตามก็ไม่รู้คำหมายตัวเองก็คือเราที่ยืนดูอยู่นี้เป็นผู้รู้คำหมายทุกอย่างคืงนั้นเขาไม่รู้อันนี้ก็เหมือนการเวลากุศลเวทนามันบีบบังคับกายขึ้นเกิดขึ้นได้ป่วดหนักเนี่ยมันทําให้บีบให้ดิ้นให้อะไรต่ออะไรมันก็เหมือนกับ ไฟไหม้ก่นไผ่นางอมันหยิดมันก็เด่นตกปุ้งปังปุ้งปังเหมือนมือืดันอันนี้ร่างกายมันก็หงิดก็งออืวัดแปลงเหมือนเพราะทุกขเวทนาเนี่ยมอนเป็นเหมือนไฟเผามันอันนี้เป็นหน้าพระอรหันเราก็แน่ใจว่าเป็นได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องส่วนธาตขันคือมันจะแสดงความหยิดความงอความกระตุกกระติกไปในแง่ต่างๆเป็นได้เหมือนกันเพราะเรื่องของขัน ขันทั้งโลกเป็นได้ขันนั้นนั่นก็เป็นได้าันไหนที่มันที่เหนวิสัยของท่านที่จะบังคับได้ท่านก็บังคับอันไหนม่ใช่วิสัยของท่านที่จะบังคับก็เป็นปตามเรืของขันเนื่องมันก็ต้องแสดงได้วนี้เราม่ค้านแต่าค้านจิตจริงๆมันเป็นหลักธรรมชาติมันก็เองทั้งอยู่ในขันอันปตัวสมมุติแต่จิตนี้ก็เป็นวิมุติแล้วมันเข้ากันได้มาประสานกันได้ มาทำใจให้พระเทวทูได้หรือไงพระถทวทูไม่ได้วางกันเลยนะหนูกล้าพูดว่าพระอรหารไม่มีทุกขเวทนาไม่มีเวทนาว่าเวทนามาจากไหนเวทนาเป็นสมมติสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามมันเป็นสมมติทั้งหมวเป็นอนารุก ข, ข่างหน้าตากขาา่ ท, ขาาทั้งนั้นิวิมุตติเป็นอันนี้การทุก ข, ขงางตาเมหลักหร่ ความิงก็เป็นอย่างนั้นลุกก็อยู่อย่างนั้นเราทำอะไรให้ท่านสะดุ้งกระตุกก็เป็นหลักธรรมชาติตาตัวแล้วเราเรียกว่าอัุปะก็เอาเรียกได้แล้วเต็มรากกระสหาก็มโลภไม่ได้ก็่ม่ของอาจรว่าบางทุกเสียงว่งตะวันทานบ้างดื่มมิผ่านบ้างเดินมิผ่าน้างนั่งิผ่านบนอนมิผ่านตามเาลาใส ความนดของท่านในวารสุดายที่แสดงมันก็ต้องตียมาตาต้องการของท่านเพราะจยทุท่านยูเหนือไม่้วเวทนามันระเหยย่ำทำลาิตใานได้ทมาันแต่เช้าไมาได้ตามมาสายของท่านทำงานส่วนมากมันนอนนิพานนั่งนิพานก็จะมีน้อยแต่มันมากกว่าถ้ายืนถ้าเดินนิพานมีน้อยมากกว่าปากดเท่นั้นะ ท่านเองท่านก็เห็นค้านท่านก็เห็นค้านในความเป็นของท่านมันไม่ถูกทําไมว่าหลานจะมีพายนั้นได้ให้มาเห็นค้านี่ท่านก็เล่าตามความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นแต่มันไม่จริงท่านกว่าค้านของท่านเหอนสิเพราะท่านรู้เห็นเองท่านทำไม่ค้านท่านก็เล่าตามความจริงท่านนะครั่งแล้วเองก็หาที่ค้านไม่ได้เหมือนกันยอมรับไมาก็เป็นเลย ตายในท่าใดเรื่องใดอุบัติเหตุเป็นต้นนี่ตายที่เรื่องของขันเหมือนเรื่องของขันล้วนๆแต่ตาท่าไหนแบบไหนก็เป็นเรื่องของขันล้วนๆไม่ใช่เรื่องของหิดตววมุตดไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกันนี่มีปัญหาอะไรก็เรื่องท่าดังขันแจกตายไปด้วยวิธีการต่างๆด้วยเหตุการณ์ต่างๆมันเรื่องของขานของขัน ทำที่พูดอยู่ทั้งหมดนี้มันก็กักงวนอยู่ในหัวใจนึ่งทำไมตั้งแต่พูดเขียยยี่เด็ดเข้ามาโปเอาโปเอาโ ป, าปจนเมือไม่ปิดตาหาทางออกไม่ได้ออกประสิลปที่มองดูไม่ได้หนเรื่องนี้เด็ดพาให้ออกไม่ใช่เรื่องทําบให้ออกอย่างนั้นนี่ที่เราสล ด, ดสังเวชเพราะเหน็นนี่เองสลดสังเวชกระบอกไปสิ่งที่นำมาสอนก็สอ น, สอนทุ่งโต้งต ทั้งอย่างถึงใจถ้าจะถ้าจะให้ถึงใจมันก็ถึงเพราะว่เทศเทศด้วยความถึงใจนะไม่ได้เทศแบบละหล่อเลยแหล ะ, หล ะ, หละกระหม่อกับเพื่อนเทศด้วยความจริงเต็มไม่เต็มหน่อยเต็มอัดเต็มธํามเต็มหัวใ จ, จเจ้าของหาบูตที่จะเข้าเข้าใจนี้นี่มันไม่มีในเรื่องความเข้าใจมีแต่เรื่องเทวทศัศ ท, ท, ทําลายศาสนาทําลายตัวเองนั่นเลงน่าสะลดทลั้องหมดเรื่องอะไรเรื่องธรามไม่ดับหดเลิกละนหน